ห้าห้าสเรื่องปฏิจจสมุปาทแห่งการรู้ตามซึ่งความจริงตรัสแกพิกษุททั้งหลายที่กีตาครินิคมของ ชนชาวกาสี <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตผลด้วยการกระทำอันดับแรกเพียงอันดับเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าการประสบความพอใจในอรหัตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับ พะการกระทําโดยลําดับเพราะการปฏิบัติโดยลําดับ ใ, ใครจะได้อรหัตผลโดยอาศัยความพอใจอย่างเดียวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> ต้องมีการศึกษาโดยลําดับกระทําโดยลําดับแล้วก็ปฏิบัติโดยลําดับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การประสบความพอใจในอรหัตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทำโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย บ, บุรุษบุคคลในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้ เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี้ยโสดลงสดับผู้เงี้ยโสดลงสดับย่อมได้ฟังธรรมครั้นฟังแล้วย่อมทรงจำธรรมไว้ย่อมใคร่ครวรพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้เมื่อเขาใคร่ครวรพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ เมื่อทำทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้เกิดฉันทะแล้วย่อมมีอุสาหะครั้นมีอุสาหะแล้วย่อมใช้ดุลพินิษครั้นใช้ดุลพินิษแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ย่อมกระทาให้แจ้งซึ่งบรมสัตต์ด้วยกายด้วยย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัตตนั้น ด้วยปัญญาด้วยอันนี้คือลำดับของการ <c oughs> เข้าไปรู้ตามซึ่งความจริง12ขั้นตอนซึ่งอาตมาก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยๆอยู่พวกเราก็คงจะเคยได้ยินนะหรือพระสูตร ต, ต่อไปอันนี้ก็พูดให้ฟังบ่อย นะจะถือว่าเป็นพระสูติที่สำคัญมากเป็นช็อตเด็ดเลยก็ว่าได้นะ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับการละนันทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นจักสุอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นคือภิกษุเนี่ยเห็นอันนี้ยกเรื่องจักสุมาอันเดียวแต่พระองค์ก็ตัดว่า เห็นจักสุเห็นหูจมูกลิ้นกายจิตนะนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมทั้งหมดเลยนะทั้งโสตค า, านะชิวหากายะมณนะนะทั้งหมดแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมอายตนะทั้งภายในและภายนอกว่าเป็นของไม่เที่ยงนะความเห็นเช่นนั้นเป็น ความเห็นที่ถูกต้องของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี สั้นๆง่ายๆแค่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำโยนิโสมนสิการซึ่งจักสุก็คือน้อมไปเพื่อหเห็นตามที่เป็นจริงและจงพิจารณาเห็นความที่จักสุเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายภ <c oughs> ิกษุ เมื่อกระทําโยนิโสมนัิการซึ่งจักสุและพิจารณาเห็นความที่จักสุเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นแปลงราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนัน ท, นแาานแนนทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วดีวดี อันนี้ก็เป็นสองระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการละนันทีแค่เราละความเพลินจะละความพอใจได้ละความพอใจได้ก็จะไม่เพลินละความเพลินละความพอใจจิตหลุดพ้นของปฏิจจคก็เอาไว้เท่านี้ก่อน